ก็เกิเขินอย่างนี้แหละคนแก่อย่เลาะเลาะคนแก่เราก็จะแก่เหมือนกันทุกคนนั่นแหละคนหนุ่มไม่เคยแก่อาจจะไม่รู้จักคนแก่ก็จะรู้จักคนหนุ่มก็เคยหนุ่มมาเหมือนกันเป็นเช่นนั่นเอง ลงตัวพอดีชีวิตของเราต้องศึกษาศิขาและทำเป็นคเครื่องเลชีวิตเราก็มีอาชีพทำมาค้าขายทำไรทำนารับราชการ เป็นหมอเป็นพยาบาลคือ เ, เจ้าหน้าที่ของรัฐได้เงินได้ทองมาซื้อข้าวซื้อปลากินอยี้งลูกเลี้ยงหลานได้ตั้งหลักตั้งฐานได้มีที่ อ, อาศัยมีประจัยสิเอาหามาในอาชีพแต่ได้ข้าวได้น้ำได้เงินได้ทองได้เครื่องนุ่งหม่มได้ที่ อ, อาศัย มาก็ายังมีการเกิดเจ็บเจ็บตายอยู่หิวข้าวร่างกายมันหิวก็ต้องกินข้าวไม่ข้าวจีนถ้ามันหนาวก็ต้องมีผ้าหม่หมห่มผ้ามันก็หายหนาวถ้ามันร้อนอาจะมีพัดลมมีแอร์มีน้ําอาบก็หายร้อนได้ นั่นเป็นข้อก็ น, นั่นเทวเท ว, วปัจจัยอาศัยแต่มีความโกรธมาจะทํทำยังไงมีความทุกข์มาจะทำไงเนี่ยมีปัจจัยอาศัยเหมือนกันเราต้องอยาชีพตรงนี้อีกเหมือนกันเลยว่าธรรมะปฏิบัติธรรมจำเป็นหวนกัน เวลาวันทุกก็ต้องมีธรรมะเวลาวันแก่ต้องมีธรรมะเวลาวันเก็บต้องมีธรรมะเวลาวันตายต้องมีธรมธรมะธรรมะในกาตาลไม่เก็ไม่เจ็บไม่ตายถ้ามันดีมันก็เก็บก็เจ็บพอตายเกิดดับเกิดดับ ยังไม่เจอะก็เจอะยังไม่เจ็บก็เจ็บยังไม่ตายก็ตายตายเพราะความโกรธตายเพราะความทุกข์ตายเพราะความพลาดพลาดเจาของเราของชอบปจตายเพราะความไม่สบายกายก็ไม่สบายใจมันมีอยู่ความทุกข์เราจึงต้องมีธรรมะป้องกันเรื่องนี้ไว้ การมีอาชีวนี้ค็นี่แหละปฏิวัติธรรมนี่นีสติสมัชัญญะนี่ยอย่าก็เพียนตะบอกกันได้ต้องหัดเวลาเหียวข้าวไปกินข้าวอันไม่ต้องบอกมันหาจินเรียก ว, ว่าสัตว์โลกรร้จักหาจินรร้จักหลบภัย แต่เวลามันทุกข์เนี่ยอย่าโจนหมืนกันต่บอกว่าเหียนทุกข์เป็นไม่ทุกข์บอกเฉยๆทำไม่เป็นต้องหัดดังนี้ต้องหัดชินข้าวอาจจะแม่ป้อนห่ผมผ้า อ, อาบน้ำ แต่แรกอาจจะมีพ่อมีแม่ดูแลรักษาแต่เวลาอันทุกเนี่ยไม่มีใครช่วยเราเราต้องช่วยตัวเราเองเราโกรธไม่มีใครช่วยได้เน่าตกรตช่วยตัวเราเองหัดไว้เวลาแก่ก็ต้องหัดไว้เวลาเจ็บต้องหัดไว้เวลาตายต้องหัดไว้ ถ้าไปหาตนตายมันไม่ได้ต้องหาดไว้ก่อนยอมสงบยามสงบเราฝึกยามเสกเราจึงโลกได้ที่ว่าปฏิบัติธรรมจําเป็นเหมือนกันเรามั น, น, มมนกลียดเปลี่ยนเกลีดไปไม่เกลีดบอกแค่แค่นี้แต่ต้องไปหาดเอาจะให้มันเกลียดได้จังเปลี่ยนจะให้มาทุกข์ได้จังเปลี่ยนนั่นก็ไม่ได้ ให้มันมีเอาไว้มีทมเหมือนมีร่มในมือมีทรรมเหมือนนอนในมุง้งโยงไม่ได้กัดมีร่มในมือฝนตกก็ไม่เปียกเราต้องหัดให้มีไว้มีอะไรมีสติเอาไว้ ให้เป็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของใจมันดีกว่าอันอื่นที่ว่ามีพระธรรมคุ้มครองรักษาผู้พิทธรรมย่อมอยู่เป็นสุขพระธรรมย่อบรักษาผู้พิทธรรมให้ตกไปในที่ชั่วอยู่เสมอถ้าไม่มีธรรมไม่เครรักษาจน คนโกรธคือคนจนเพราะจนทรมาจึงโกรธคนทุกข์เพราะจนทำเพราะจนมาจึงทุกข์คนหลงเพราะจนทำเพราะจนมาจึงหลงนั้นคนที่เกียจที่ข้านย่อมหาซับไม่ได้ก็ต้องอดอยากยากแค้นลำบาก เป็นปฏิภูดยาจบอยู่เช่นนั้นคนอื่นเขาก็มีกินแต่เราทำไมไม่มีวะเราเกียดค่อนคนที่โกรธทําไมโกรธคนเขาไม่โกรธกันแล้วคนที่ทุกข์ทำไมทุกข์คนเขาไปทุกข์กันแล้วคนหลงทําไมหลงเขาไม่หลงกันแล้วเราจะยังไม่ก้าวไปสักก้าว สองสนตายโกรธจนตายทุกจนตายชีวิตเรามันมีความหายอะไรถ้าเกิดมาเจ็เจ็บตาเฉยเฉยมันไม่มีประโยชน์เลี่ยงยากเหลือเกินชีวิตของเราในพ่อแม่เลี้ยงยากยากพ่อแม่เราอาจจะทำไม่ได้เราลองดูเรื่องนี้ดู สักคนหนึ่งเถอะลูกพ่อนี่แม่นี้ตูกสาวพ่อของแม่ลูกชายของพ่อแม่ให้เป็นสักคนหนึ่งเถอะนับหนึ่งเอาไว้ไปขี้ไปขี้ให้อวดแม่ดูไปหาพ่อหาแม่ถ้าแม่มีอยู่ขี้ใส่หน้าอกของตัวเองนี่แม่ลูกของแม่ของพ่อคนนี้ ก้มค่าแล้วพ่อแม่ไม่เสียค่าน้ำนมไม่เสียค่าแรงแล้วต้องไปขี้ตัวเองให้แม่ดูให้พ่อให้แม่ดูจะเป็นอย่างไรมีใครบ้างไปขี้นาะ อ, อกของตัวเองให้พ่อแม่ดูเราก็มีพ่อมีแม่ ออกจากขี้หน้าอกของเราให้พ่อให้แม่ดูแล้วขี้ตาอกของเราถ้าเป็นสามีพัญยาการก็ ข, ขี้ให้กันดูนี่แหละจะรับผิดชอบไม่ทอดมางทีมันก็อุ่นใจก็สบายใจหัดไว้อย่างนี้ให้มันมั่นคงไม่ใช่พึ่งอะไรไม่ได้ บางทีก็คุ้มร้อยคุมดีในมั่นใจตัวเองเดี๋ยวเหลชีวิตไม่ใช่เป็นอย่างนั้นชีวิตมันต้องเป็นชีวิตอย่าเอาลมหายใจอย่าเอาความสุขความทุกข์เป็นชีวิตชีวิตมันไม่เป็นอล า, ารก็หว อ, อกตายหวอกชีวิตมันไม่เป็นอะไร มันคือชีวิตมันแก่ ก, ไก็ไม่ใช่ชีวิตความเจ็บไม่ใช่ชีวิตความตายไม่ใช่ชีวิตเดีย๋ยวนี้เราไม่ชีวิตกันแบบไหนคิดเฉยๆก็ทุกข์จะแค่นั่งชีวิตเนี่ยเปราะบางเหลือเกินคิดมาก็โกรธคิดกิมานอนไม่หลัคิดกิมาน้ําตาไหล นอนเฉยๆก็ทุกข์นอนอยู่ในมุ้งในหับในแอร์ใ น, ในฟูกที่นอนอย่างเลยก็ยังนอนไม่หลับเพราะอะไรพอคิดทำไมจึงคิดเพราะไม่ได้สอนตัวเองให้เป็นระเบียบไม่ให้เป็นระเบียบเฉพาะเรื่องปนเปกันไปก็างคืนก็วอร์ฝันกงวันก็ว่า์ ค, าคิด กลงคืนเป็นควันกลางวันเป็นเปลวเอาอะไรกันแนะ่ชีวิตเนี่ยเราจะต้องเป็นอย่างนี้มันจะมีประโยชน์อะไรเพ่งกันก็นไม่ได้ก็ร้ายคุมดีมีปัญหาทั่วบ้านทั่วเมืองเพราะใจของเราเนี่ยตัวการมันมันมีอำนาจ เนี่ยมีกายมันก็ไม่ได้เป็นใหญ่ใจเป็นใหญ่กว่าใจใจมันทำอะไรมาได้ต้องอาศัยกายที่ทำแต่มันก็ยังเป็นใหญ่ตาหูว่ามันใหญ่มันเป็นอ c นทอคือตาคือหูจมูกเลี้ยงกายใจมันเป็นใหญ่เอาเอาหูไปไปดูมันก็เป็นได้ เอาจมูกไปดูแทนตาก็ไม่ได้เอาลิ้นเอากายไปดูแทนตาก็ไม่ได้เอ้ใจไปดูแทนตาก็ไม่ได้แต่ตามันต้องเป็นหน้าที่ดูเป็นใหญ่เรื่องนี้หูก็เป็นหน้าใจในเรื่องเสียงจะเอาจมูกเอาลิ้นไปฟังเสียงก็ไม่ได้อันใหญ่แบบนี้แต่ใหญ่ขนาดไหนต้องเป็นความใจต้องควบคุม ได้ยินแล้วได้ยินทางหูใจมันจะพอใจมันไม่พอใจมันไปสุกซุกสนอยู่แบบนั้นตาเห็นลราก็พอใจไม่พอใจมาถึงใจจะมวกได้กินก็พอใจไม่พอใจลีดในรถก็พอใจไม่พอใจนี่แต่ใจมันก็ยังไม่อารมณ์กเข้ า, ขาประยู่ยิ่งมีวัตถุ รวบลดขีนเฉียงเข้าไปเราก็จังเพิ่มความละอีกจนเป็นใหญ่บ้าบบวใจแน่บ้ากา็ว่าได้เรียกว่าปุตชนคือคนบ้าปุตชนคือคนบ้าปุถุแปพ๊พหนา หลงเป็นหลงดรือว่าปุโตชนโกรธเป็นโกรธหรือว่าปุโตชนทุกข์เป็นทุกข์หรือว่าปุโตชนมันไปทุกข์ก็ได้มันไม่หลงก็ได้มันไม่โกรธก็ได้แต่ความหลงก็ดีเพื่อให้มันไม่หลงกลายเป็นปัญญาปัญหามีปัญญาแต่ปุโุชนปัญหาเป็นปัญหา มนุษย์เขา้ออกปัญหาเป็นปัญญาอะไร้ามาไมา เ, เป็นภาระเป็นทุกข์เพื่อคนมนุษย์เขาไม่เอาไปทางสูงดูมันเห็นมันจะเป็นมนุษย์จะเป็นคนมันต่างกันตรงไหนมันเปลี่ยนตรงไหนก็เคยบอกคือ ม, มันทุกข์เห็นมันทุกข์นี่มนุษย์ มันหลงเห็นมันหลงนี่เราเป็นมนุษย์มันโกรธเห็นมันโกรธนี่เป็นมนุษย์ต่อจับนุษไปก็เป็นพระมันหลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงเป็นพระมันโกรธเห็นมันโกรธไม่เป็นผู้โกรธเป็นพระไม่ใช่ปุถุชนมันทุกข์เห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์เป็นพระแล้วพระในใจเป็นผู้บัดเสด เป็นผมไม่จนไม่เปิดเพื่อนถ้าไม่หัดก็เปิดเื้อนเหมือนดินพ่อขางหมู <c oughs> โกยจนส0บ ป, ปีย0 ป, ปีก็มี <c oughs> ติดมันติดเป็นจริตทิศสายราคาจริตคิดอะไรปรงแจงแจงโทศจริต คิดอะไรความโกรธออกหน้าโอหาจ ร, จริตคิดอะไรเป็นความหลงออกหน้าเป็นจริต ต, ร ต, ต้องพุทธจริตคิดอนไ น, นมีรู้มีตื่นมีเบิกบานในหลงไม่หลงพุทธในทุกไม่ทุกเป็นพุทธในโกรธไม่โกรธเป็นพุทธ เป็นพระในทางใจประเสริฐว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐถ้าไม่เป็นอย่างนี้ไม่ใช่ประเสริฐ เ, เร็วกว่าสัตว์มีนลกมีเปรตมีสุลกามีอิริานไปสู่ภูมิต่าถ้าไม่ฝึกมัมันมีสมองสัตว์อันไม่มีสมองสมองอก็เฉโก อยู่ถ้าอยู่ขนาดนั้นมนุษย์คนเราเนี่ยมั น, ม, นมันตามได้มันไปสูป่บายที่ไหนก็ได้ภูมิอะไรก็ได้อบายะภูมิมนุษยภูมิือวภูมิจนสงจูงสดตีว่ามรรคผลนิพพานจนาานุดหมายปลายทางชีวิตเราจึงมีศาสนาให้เราปฏิบัติ อย่างปฏิบัติก็ทำกันแบบนี้เอากายเป็นธรรมลาเอาใจเป็นธรรมลาเอาสติเป็นนักศึกษาให้เห็นแจ้งทั้งหมดจบจนจบไม่มีอะไรแต่ทำอีกเหมือนพระพุทธเจ้าว่าชาติสิ้นแล้วขโมยจันู่จบแล้วจิตอื่นที่ต้องทำไม่มีอีกแล้ว จบแค่นี้แล้วเพนนิดสุดแจกของสองตะเกียงเลี้ยงคนทั้งโลกไ ป, ไปจนมาเถงพวกเราทุกคนนี้มากว่าเกือบสามพันปีแล้วเกือบสามพันปีแล้วสองพันเก้ารยใช่ไหม นับจากป่านิ้ผาน 2,553 นับบันตัดสะลุอีก45ปี 2,500 กับ459สามกับห้าเป็นเป็นทาเป็นแปด 2,500 2,500 หกร้อยเฮ้ยมันไม่มีเซลลองมาเชื่อมเอาคิดเดียวจนมาถึงพวกเราทุกวนันไม่มีเปลี่ยนแปลงเป็นอมตะคนอายุคไหนก็เป็นอย่างนี้มีกายมีใจประเทศไหนก็มีกายมีใจ กก็เหมือนกันทุกก็เหมือนกันเกิดใจจะตายเหมือนกันร้อนหนาวเหมือนกันนีกามีใจปัญหาก็อยู่ที่กายที่ใจแก้ปัญหาก็แก้ที่กายที่ใจเนี่ยนี่จึงมามีสติใช่หัดให้มีกะมีสติไปในกายเป็นเจ้าของใช จะให้ขอมหลงเป็เจ้าของความทุกข์ข่มโกรธเป็นเจ้าของชีวิตเราผ่านมาถึงปุณ น, นี้อะไรเป็นเจ้าของชีวิตเรากันแน่หลงนานเท่าไหร่มาดูซิเวลาเรามานั่งลงยกมือสร้างจังหวะสิบสี่จังหวะมันหลงกี่ครั้งนาทีหนึงชัวโ ง, งหนึง่งหลงคลายหลงกับเป็น กับลู้อะไรมากกว่ากันน่ากลัวนะก็โถสามสิบปีแล้วไม่เคยเห็นเรื่องนี้เลยปล่อยความคิดไหลไปตลอดเวลาไม่เคยดูความคิดไม่เคยไม่เคยหยุดความคิดก็มาดูเรอ้ยน่ากระตือรือร้นมากเหมือนยกทัพช่วยตัวเอง ดูแลกายดูแลใจเป็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของจิตใจนักขนหัวลุกเมื่อดูชีวิตที่ผ่านมาไม่ได้ช่วยตัวเองเลยทุกข์ก็ไม่รู้จักเปลี่ยนน้องเยอกับทุกข์ยิ่งพอใจเวลาทุกข์เวลาโกรธเลยคิดเกง ควาคิดสุดอยอดโดยคิดในสารพัดอย่างบ้าบว บ, บไปทั้งหมดความคิดนะไม่เคยช่วยไม่เคยหกักไม่เคยห้ามไม่เคยมีสติบอกว่ามีสติดูแลเราถก็ตื่หรือหลดุดเปียนความคิดให้มีสติแปลว่าถูกที่สุดเปี่ยนความทุกข์มีสติเปี่ยนความไม่ เปลนโคมโกรเป็นไม่โกรโอ้ยมันดีที่สุดแล้วมาเถอะมาเทเลยเปลี่ยนได้ปฏิบัติได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้เมันหลงเปลี่ยนหลงไปไม่หลงสติมันก็ไม่หลงจริงๆความหลงกับความไม่หลงโคตต่างกันจริงๆความทุกข์กับความไม่ทุกข์ต่างกันจริงๆโดยเฉพาะเปลี่ยนขนาที่มัน เป็นหน้าหนถูกที่สุดแม้เราซ้มอะไรที่มันเสียให้มันดีขึ้นมามันใช้ได้นั่นก็ใช่ได้มันดีกว่าเข่าทาไมเราไม่ซ้มตัวเองไม่แค่ให้มันดีอันเดิมยังทําได้เป็นนายช่างจนมีอาชีพแต่ไม่รู้จุดซ่มตัวเอง ไม่จดจ่อเอาแต่เข้าอู่สักหนอนมีแต่ลอยลักลอยโกรดลอยุกลอยทุกข์ลอยแค้น ล, ล, ลอยเสียลอยได้ในหวัวใจเต็มไปหมดแลยถ้ามาซ่อมซ่อมมันกดีขึ้นมามันหลงเปลี่ยนหลงปไม่หลงซ่อมแล้วดีกว่าเก่ามันโกรธเปลี่ยนโกรธเป็นไม่โกรธซ่อมแล้ว มันทุกข์เกลี่นทุกข์เปไม่ทุกข์ซ้มแล้วน้ำทิศตกกังวลเศร้าหมองอะไรอาวรเปลียยนมาเป็นภาวะทเทโลซ่อมแล้วเพียนอยู่เบมออย่างเนี้ยมันจะไม่มีลอยมันจะหมดมันดีไม่มีลอยเดี๋ยวนี้ลอยบ่อาจจะมีนะคิด ทำบาปเองเศร้ามองเองจังเศร้าหมองพราะความชั่วของตนมีเหมือนกันพิดชินข้อไหนทำให้ใครเดือดร้อนทําไม่อะไยที่เสียหายมันจะมีความร่อยมันจะมีรอยบาปเศร้ามองปฏิบัติธรรมาจากคิดตัดโอกตัดกรรมอย่าไปคิดนั้นกรรมคือไปคิดอยู่เสมอคือกรรม าการกระทำทางความคิดเป็นกรรมนะบางทีก็เศ้าหมองความคิดขึ้นมาเป็นกรรมทำให้ตัวเองเป็นบาปนอนไม่ค่อยหลับจะว่ากรรมอะไรดีได้แต่ทำเลยนี้ไม่เป็นได้รับสลบาปออกจากชีวิตของเราไม่เป็นมน บาปคือความชั่วร้ายเศ้าหมองบุญคือใจดีบาปคือใจร้ายไม่รู้จักแค่้ก็เปลี่ยนไม่เป็นแที่ใจมันร้ายมาดุให้มันใจดีมีปิตารกราก็ไม่ได้ลงแรงอะไรเพียงเปลี่ยนหัดเปลี่ยนปฏิบัติธรรมมาคือทำอย่างนี้คือเปลี่ยนอย่างนี้ได้วาาบวาทาบุญ นี่แต่ประทําแต่ภายนอกก <c oughs> ็ามาช้าทานเข้ามอนการวัตถุทานนะวัตถุทานให้วัตถุสิ่งของมันก็เป็นประโยชน์อย่างศาลาหลังนี้มีคนทานมาก็ทะยกจงหมดเนี่ย พอทยกเปลี่ยนพอทยกสุปบ้านใหม่เลยหลายคนที่ทานเอามานะ่ผู้ที่ให้เสาก็เป็นเสาอยู่ผู้ที่ให้กระดานก็เป็นกระดานอยู่ผูที่ให้คือให้หลังอะไรก็เป็นอยู่อาศัยได้อันนี้วัตถุทางอาศัยได้ไม่เสียไปไหนไมีลอยในะหวัวใจเราถ้าเราเคยทามันก็มีลอย ล อ, อยบุญต่อยความดีวัฏฐานวัตถุฐานให้ข้าวให้น้าก็มาเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นชีวิตของพวกเราเราก็มีชีวิตเพื่อทำความดีมันก็มีประโยชน์ทานอันที่สองคืออภัยทานอย่าถือโทษกดเคร่งกันไปให้อภัยกันบ้างคืนดีกันได้บ้าง คืนด้อาภายัยคือให้อาภัยแล้วป่าช่างหัวมันเถอะไม่เป็นไรเคยช่างหัวมันไหมพอจะยกจ ง, งหรือไม่ได้เคยทํามันทําแต่โอ้ยช่างหัวมันเราช่างหัวมันน่ย เอ alloy, ้ย่าด่าลูกเสือไผ่เก่งโดยไพ่กับย um ่ามันก็ถูกกันนะลเรย่าด่าทีใดลูกเสือไพ่ก็อุ้มลูกใสเอวก็ะอายลูกไปช่างหัวมันเถิดเราเวลาย่าด่าทีเใดอุ้มลูกคล่นเอวอะลูกปะไปช่างหัวมันก็ไม่เห็นช่างหัวมันที่ไหนเวลาย่าด่าทีใดลูกเสไพ่กับช่างหัวมันลูกปะ พูดกับลูกชายเอ้อั น, นี่กูด่ามันทีเด่ทำไมช่างหัวมันคือัวจกักไหมเขาเปล่ยช่างหัวมันคือใครว่าช่างหัวมันจะไม่ทะเลาะกันนะไม่โกรธ่าเลยตทวสุัยไม่โกรธเลยยิ้มช่างหัวมันเจอละเขาว่าอะไรช่างหัวมัน เนี่คือให้อภัยอภะธางไม่ทะเลาะกันนะดีกันได้เค้นกันได้ไอ้เราวันเป็นอย่างนั้นนะถ้ากูได้โกรธตายไม่ลืมโน่นอะไม่ช่งางมันเลยถ้ากูได้โกรธตายไม่ลืมนะถ้ากูได้โกรธกูไม่ด่ามันกูไมยมถ้ากูได้โกรธกูไม่ฆ่ามันกูไมยมขนาดนั้นก็ไม่ฆ่ากันยนไ ด, ด้บ้านเมืองเดือดร้อนพลัเในกัน กรมเห็นเฉยๆจก็ทะเลาะกันแต่ที่พูดกันไปกันได้เอาพยานรรมามทมธานทรมทธานดีคืออะไรอะไรที่มันไม่ดีเปลี่ยนให้มันดี เวลามันหลงเปลี่ยนหลงไปไม่หลงทำธรรมทานเวลามันโกรธเปลี่ยนโกรธไปไม่โกรธมีธรรมทานทานอันนี้ไม่หมดไปชินนอนทานนั่งทานเดินทานได้ตั้งหงทางหลายชีวิตของเรามีแต่ให้อภรรัยไม่แต่คิดจะช่วยเหลือโอ้เฉยเฉ ย, ยเขาคิดจะช่วยอะไรด้วยเงินพุทธเจ้าออติ สามตีสี่เลคิดจะไปช่วยกันน้องมองเห็นใครน้องพอที่ไปช่วยได้หรอมันก็มีปัจจุบันนะเช่นพระพุทธเจ้าประทับที่เขตตะวันเมืองสาวัตถีขณะนั้นโจรนโนเดมงานกำลังอาลวาดฆ่าคน พระเจ้าเผิที่โกศลประกาศให้ทาหารถางไปจับองค์ธิมานข้ามันจูดอนรอบบ้านนรอบเมืองนประกาศทั้งเมืองเลยเอาพระเจ้าก็นองประทับอยู่ที่เชตตะวันก็ได้ยินเรื่องนี้เพราะปัจจุบันเห็นอยู่ได้ยินอยู่ได้ข่าวอยู่ โอ้จ้าก็มาชิดว่าเออองค์เทีมานเนี่ยเหตุที่มันเป็นโจรมันไม่ใช่เรื่องอะไรมันเข้าใจผิดไปอาจารย์สอนผิดๆก็เราจะหน่อยได้ไหมฮะชีวิตอ า, อาจารย์สอนผิดว่าองค์เทีมานเนี่ยเรียนเก่ง เป็นเด็กเขาไม่ชื่อองคุลิมานะแต่ก่อนเขาชื่อว่าอหิงสักุมารอหิงสะกุ ม, มารบ้า น, านอุลิมาณนะ์กับบ้านอาถะพิธีกาเสตถีเท่ากันนะฐานะติดกั น, กนเห็นกันใกล้ๆกันเวลาเราไปดูสาวถีเนี่ยเชื้อตวันเนี่ยไปดูบ้านอุลิมาณกับบ้านอาถะพิติกาเสตถีเนี่ย ไกลก็ไปดูนี่กองอิดใหญ่โตเท่าลู้เขาเล็กๆเนเะท่าเท่ากันกันกบนาถมินทรเสถียรพ่อก็ตั้งชื่อว่ า, าหิงสกะดกุ ม, มานไปโตขึ้นมาไปเรียนหนังสือเจ่งมากเรียนเก่งขั่วเพื่อน เพื่อนอิจฉาเหนเรียนเจ่งเพื่อนนักเรียนเดียวกันห้องเดียวกันอิจฉาไปห้องอาจารย์อาจารย์ก็สอนอะไรได้หมดลูกศิษย์ทั้งหลายไปห้องอาจารย์รวงหัวกันองคริมาณวางแผนจะฆ่าอาจารย์อาจารย์ก็หูโบ่ เชื่อลูกศิษย์บ้าๆปอ บ, บต้องให้องค์ชายมา น, นี้ไปอาจารย์ก็ยังไม่เห็นมีอะไรแปลกเขาก็เรียนเก่งก็พยายามสอนเขาลูกศิษย์ก็มาพ้องอยู่ก็เลยเชื่อถ้าจะฆ่าลูกศิษย์ก็ไม่กล้าได้เพราะ ต่อไปจะไม่มีใครมาเรียนหนังสือจะไม่มีลาบสักหละจะหาวิธีจะทำไงให้องค์ธิมานหนีจากที่นี่ไปตายซะอาจารย์ก็บอกว่าองค์ธิมานเรียนอะไรก็จบด้วยวิชาเดียววิชาที่ต้องเรียนต่อไปนี้ต้องไปฆ่าคนให้ได้พันคนจึงมาเรียนได้ ถ้าไม่ค่าคนถึงพันคนเดียนไม่ได้วิชานี่เป็นสุดยอดที่สุดเลยองค์ขิหมานก็ขอร้องอาจารย์ว่าห้าพระชาติตระกูลของรามผู้ลอยบาปมีวิรามันดาวมเคยสอนจะทำได้กา ถ้าเธอไม่ทำเราในก็เรียนไม่ได้วิชาเดียวนอกตั้นจบหมดไม่มีใครลูกฉี์ทั้งหมดเรียนวิชานี้ได้ก็จบชค่นี้ถ้าเธอต้องการวิชาต้องไปฆ่าคนแล้วเลยพันคนม า, มาเรียนต่อองคติมาร์ก็เชื่ออาจารย์สวนทานเต็มที่ไม่ได้คิดเลยแต่ว่าอยากได้วิชานี้ไปฆ่าคน การจะฆ่าคนเนี่ยทำไงต้องมีเครื่องมือมีดาบหาปัดคนฆ่าเราเอยพันคนนับไปค น, คนหนึ่งหนึ่งคนสองคนสามคนมันลืมคนที่ที่จะฆ่าคนเนี่ยคนลื ม, ลมเออผมดิมแล้วก็ทําไงดีเลยเอานิ้วมือมาเป็นพวงมาลัยอ้อยแขนคอไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าเลยเออคูดีมาน คูดีคือนิ้วมือเอามางร้อยคอไว้จึงจับได้โหที่สุดก็ปล่อยแถวบ้านตัวเองสวัสดีใครออกจากมังล้วก็ฆ่าเจ้าเฉินที่โกศนก็ประกาศให้ทหารทหารไปจับะหารฆ่าองค์ธิวันทต่ไห้เช้าเมืองเดือดร้อน พาเจ้า ไ, ไ, ได้ยินก็เนี่ยเหตุที่องคติมานมันเป็นเรื่องนี้ไม่ใช่คนชั่วเรวอทรามผื้นความรู้สึกของเขาที่ไปฆ่าคนเพราะอาจารย์สอนผิดเราไปช่วยเขาลองรูเช่นแต่เราไม่ไปช่วยเขาพ่อแม่คงจะไปช่วยลูกพ่อแม่ก็ยังอยู่อาจจะไปช่วยลูกชายแม่ลูกชายเป็นโจรขนาดไหนก็ พอจะไปบอกว่าลูกเอ้ยเขาจะฆ่าเจ้าให้รีบออกเจกันนี่ซะแม่กับพ่ออาจจะไปก่อนก็คิดไปถ้าพ่อแม่ไปแล้วองค์คิมานี่กําลังเป็นโจรกําลังหลงอยู่เรื่องนี้อาจจะฆ่าแม่ตายถ้าองคติมานท่าข้าวอกพ่าพ่อแม่ตายเสร็จ แ, แล้วองค์ติมานก็อนันตเรกามบาปหลัก พี่เจ้ายังคิดเสนอถุยเง่นเราจะต้องไปก่อนก่อนที่พ่อแม่จะไปเราต้องไปก่อนในเช้าวันนี้นะเนี่วุ้ยเจ้าจึงไปสเสด็จไปก่อนในป่านะั้ตอนเช้าพอไปองค์วิบาลก็เห็นอยู่ก็เตรียมอยู่แล้วช็อตอมาวิง่งถือดาบอลอยวุเจ้าก็วิ่งนะอาจจะวิ่งนะ เราเขอกว่าหยุดยุดหยุดนะพระเจ้าไปยังวิ่งยุดแล้วเราหยุดแล้วยุดอะไรมันวิ่งใดเนี่ยสำน้าอะไรโกหกเองวิ่งอยู่วิ่งว่าจะยังหยุดหยุดเราหยุดแล้วองก็ณได้มาเธอยังไม่หยุดยุดอะไรวิ่งเราหยุดทําชั่วแล้วเธอยังไม่หยุดเลยยังจับดาบไร่ฟันเราอยู่ เราหยุดแล้วโอ้ยว่าเราหยุดแล้วเราหยุดแล้วเธอยังไม่หยุดโอ้ยวาะสนึกได้ขึ้นม า, าทันทีทดาบลงก้มร้องไห้กันทีเลยสานึกขึ้นมาโอ้โถเกิดมาในโลกไม่มีใครพูดตรื่องนี้เลยจริงจิงเราไม่หยุดเลยเราฆ่า ค, คนบานับรู นิ้วมือเต็มคออยูอย่เรามาหยุดเลยนะนะเราเบียดเบียนคนไม่รู้สึกตัวเลยอาจารย์หลอกยืดทิ้งดาบเข้าป่าดึงป่วงมาไหลที่เป็นเนิ้วมือเรียกว่าคุรีองคุรีมาองคุรีออกทิ้ง อ้อาจจะเป็นนี้แหละมา้าที่ว่าสิทธะลูกโอรสของพระเจ้าโททนะ้ออกกวดเป็นพระเจ้าอาจจะเป็นองนี้แหละมา้าอาจจะเป็นองนี้แหละใช่แล้วใช่แล้วอาจจะเป็นโลกนี่แหละเยอะใจมากได้ยินแต่จิตใจาวว่าสิทธะโอรสของพระเจ้าโทนะออกขวด แต่จะรู้เตืนพระเจ้าโอ้ยไม่เคยได้ยินเลยอาจจะเป็นองค์นี่แหะมังสมาดลินี่แ่ละนอนโมบอยู่กับที่เลยพระเจ้าก็ินกลับมาธรรมาแสดงถามให้ฟังอร่อยจับลูกขึ้น <c oughs> เตินตามพระเจ้าเข้าไปเชตวันเชตวัน เอาคึ้มาก็สำนึกขึ้นมาเปลี่ยนความโกรธเป็นความมากขนานันก็อลองจะฆ่าเปลี่ยนไปกันนะฆ่าทิ้ดดาบขนาดนั้นเลยแล้วก็มีจิตใจที่ดีทานี่อ้อนวอนขอปวดขอปวดเป็นสงขอห่มผ้าคายวรร มันหัวใจมันเต็มเปี่ยมไระยินคำว่าหยุดแล้วหยุดแล้วอย่ามาหยุดเลยเปลี่ยนเดี๋ยวหักลิบเลยหักลิบก็าดานะนั่นถางตายเลยทันทีเลยลองดูเปลี่ยนโกรธเป็นไม่โกรธ น, นะมันเผชิญจริงๆนะทีสุพิเจ้าก็บวชให้องค์เิมันเอฮิบิคุสัมปทา อดีตอนฉายมาพระเจ้าประเสริฐที่โคศนจะไปข้าจนเ้ยมาพระเจ้าแผ่นดินนก็จะไปปรึกษาพระเจ้าว่าก็ เ, เลยพาทหารฐานไปเชศตะวันว่าไปกราบทูลพระเจ้าว่าข้าพระองค์จะไปปราบชนนคเรมาทำห้ประชาชนเดือดร้อน ในวันนี้เตรียมแล้วจะตาวดเข้าไปเอาพระเจ้าจะเห็นเป็นประการได้อาโทนพระเจ้าให้สงสาบ พ, พระเจ้าก็พูดเขาว่าองค์คริมานา็แต่พระเจ้ า, าแผ่นเนียไม่รู้จกักภาษารชาชศัพทนะ์น ถ้ า, ถาองค์พิมานให้บวชเป็นพระจะทำไงพระเจ้าเส็จพรสนถ้าบวชเป็นพระสงฆ์ข้าผู้เจ้าก็จะกร า, าบไหว้ถวายทานให้โวถามเหมือนพระสงฆ์ทั้งปวงเพราะว่าศรัทธาต่อพระสงฆ์ ก็ววเธอปวดองค์ส ม, มามาปวดเนี่ยก็จะกราบจะไหวจะถวายจะกาลละให้กีวรให้บิณฑบาต ด, ดูแลอุปถัมภ์เหมือนพระสงฆ์กันเดินพระเจ้าเลยขี้ไปองนี้องค์ขลิมา น, นยนะปวดกันนั่นงะกั น, นเป็นรูปสูงสูงเนี่ยสูงสูงเนี่ยนั่งเนี่ยล่ะเพราะฝัน เป็นตะกูลพราหมณ์นะัน่นนะองคุริมันนั่งนั่นนะร พ, พระเจ้าเผ่นทุกคนโอ้ยจำได้เลใช่และใช่แลนะมันอยู่พระสาวถอยก็กล้กับนาถากิตตกาเตอหฮงสักกุมหิงสักกุมานใช่แล้วก็เลยก็องคุิมันบริวารท่าหลายก็ วางอาวุธลงเดินเข้าปลอดพระนครสาวัตถีคิดจะไปช่วยแจ่าคนพระเจ้านะสายมาที่สี่ที่ห้าน่าจะากาับไปจริงๆิบิทับบาทหกโงไปเป็นทับบาทกลับอาชันสามเก้างก็อบรลวงพระสั่งสนพระสง์ให้อุายจะพระสง์ อะไรคิดท่าอย่างผู้เจ้าจําไม่ได้ตอนเย็นก็แสดงทางเสจอพระสงค์วันละสองครัง้งตอนดึกตอบปัญหาเทวดาประมาณตึกเด็กพวกเทวดาจะมาต่อมาถามปัญหาหมายถึงคนที่เป็นเจ้าขุนนางทั้งหลาย ออกมาสนทนาธรรมตสี่ตีห้ากัดตรวจัูผู้ใดหน่องที่จะฟังธรรมได้ประวัติในพระโสดาเล่าเรื่องแต่นจำเป็นอย่างไปโปรดเฉาทิฏฐิมู น, น่นนะก็คิดเห็นวอิเฉาทิฏิคนนี้ อาจจะมีโอกาสวัลลุธรรมได้ไปโปรดไปโปรด ค, คนนั้นไปโปรดคนนี้อย่างไปโปรดอยู่ที่เชื้อตะวันไปโปรดลูกสาวดางช่างป้นหม้ออย่างเนี้ยเพราะขี้จะช่วยคนนะเนี่ยช่วยคนทั้งโลกแบบเนี้ยจนมาถึงพวกเราทุกคนนี้เพราะมีจริงจิง ความหลงมันไม่หลงก็ไม่จริงๆนะอย่าจนเถอะพวกเราความทุกข์ความไม่ทุกข์ก็ไม่จริงๆแต่ใครยังทุกอยู่ ม, มีโอกาสเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ ไ, ดไม่ทุกข์ก็ได้มันโกรธเปลี่ยนไม่โกรธก็ได้ร้อยเปอเซไม่ต้องขอญาตจากใครแต่ต้องหัดตนะังเอยหลวงตาหนูโกรธแล้วขอเนีญยไม่โกรธได้ไหมไม่มีเปลี่ยนได้เลย ให้เปลี่ยนเป็นไม่โกรเป็นทุกข์ปนไม่ทุกข์ทันทีเนี่ยต้องหัดสตินะที่จะเปลี่ยนมันก็มีความรู้ในโกลนชิดไปกลับมามนชิดไปกลับมาปฏิบัติธรรมคือสอนคอยสอนยใยมันรู้อยู่เสมอนั้นก็ทำได้ปฏิบัติได้อย่างนี้นี่ว่าปฏิบัติได้ผลได้ไม่จำกัดการ หลังแก้วสาธยายพระสวด ธ, ธรรมวัดเช้า oh. จวักขาโตพักป่าตาธรมธรมอุภะทรรมอันพระผู้ม oh. ีพระเจ้าตัดไว้ดีแล้วดีจริงๆจะเพิ่มจะตัดก็ไม่ได้อง <Okay. S 1> หลงก็มีคนไม่หลงก็มีเท่านี้คู่กันเหมือนหน้ามือหลังมือเนี่ย <Okay. S 1> ลวลามันหลงเหมือนหนังมือไม่หลงเหมือนหน้ามืออย่างเน <Okay. S 1> ี้ด้วยกันมาเพิ่มกันนันแล้ว แล้มันเกิดมีความไม่เกิดมาพร้อมกันเวลามันแฉมีความไม่แฉเวลามันเจ็บมีความไม่เจ็บเวลามันตายมีความไม่ตายมองอย่างนี้อ่านเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายเป็นโจทย์ของชีวิตเราเราตกเป็นจําเลยของเรานี้มันก็ไม่ไม่ต้องแก่ต้องแกบต้องตายให้เหนือนี่ไป ก็มีคํามีสิ่งที่มังกรทำเรื่องมรรคผลนิพพานเหนือขางเกิดเจ็จะตายแล้วเวลาเห็นเวลามันโกรธเห็นมันโกรธเปลี่ยนโกรธไม่โกรธไม่เป็นผู้โกรธนั่นนะมงกุรไม่โกรธเป็นมังกรเวลามันทุกข์ เห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์มันมันก็เปลี่ยนได้เด็เห็นม่แต่เห็นไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรกับอะไรจุดยอดลยชีวิตของเรากระโดดเข้าไปเถอะเวลามนหลงให้มีกำลังแก่งกล้าทลาออกถึงความไม่ลง ยอยอ ม, มางานมีกำลังใจมีสตนะินี่ก็เป็นวันพระเราจะมาเข้าฉินวชจกันอ่อาถ้ายกประกาฉินเอาไม่มา